นะฟังงทรม้ังทมปฏิบัติตามธรรมคือทำตามหน้าที่ถ้ามันหลงไม่รู้สือว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใครๆก็เห็นว่าหลงมีอยู่จริงแต่ขณะที่มันหลง มนค่อยจะมีอะไรที่มาตรงกันข้ามถ้าปฏิบัติธรรมก็ต้องเปลี่ยนหลงให้ไม่หลงยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมนี่เป็นกิจกรรมเป็นสังคกรรมของชีวิตหรือว่าเป็นอาาสมัคร สังกรมของชีวิตส่วนตัวอาสาสมัครงานก็ได้งานอาสาสมัครปฏิบัติธรรมก็ได้พบเห็นของเท็ของกิง่งให้เพิ่งตัวเองให้มากๆากอย่าเพิ่งคนอื่นจริงอื่นม้แต่การสร้างอาชีพ ก็ไม่พึ่งตัวเองมากมากไม่ใช่รอให้คนเดินมาช่วยเหลือนีบบทเรียนเลื่อยไปกับการใช้ชีวิตการประกอบการงานอาชีพทำอันเดียวอยู่บ่อยๆก็ฉลาดไปบ่อยก็ชำนิชำนานบ่อยๆเพิ่มขึ้น บางทีถ้าเรามีความพร้อมถึงที่สุดคนอื่นสอนคนอื่นจะบอกเราคนละมันคนละอย่างกับที่เราได้เดินทางมาตรงหน้าเราที่จะองไปมันไม่ถูกกันเคยปฏิบัติสมใหม่ใหม่ มีคนอยากบอกอยากสอนหลอยทั้งพระทั้งเนรเราก็เป็นโยมอย่างนั้นอ้ายอย่างนี้อ้ายปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากจะบอกว่าเอาละอ้ายทาเองอาทีเน้น้ยมาบอกเอาละ ความใจเน้นเอาอาจจะทาเองก็มั่นใจอยู่เสมอว่าเชื่อมั่นในการตัดสู่ของพู้ใเจ้าก็มันมีอยู่จริงวิธีทำใหาเกิดการตัดสู่เป็นผู้ใจเจ้าก็มีอยู่จริง เราได้ออกมาทำก็เชื่อมั่นตรงนี้เวลาเราทำลงไปมีสติมันก็มีสติมันก็เห็นความหลงก็เชื่อมัน่นนั่นใจได้พบได้เห็นแต่ก่อนมันรู้ควมรู้ไม่ได้กระทา เวลาเราปฏิบัติความรู้มาได้กระทำขึ้นมาสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ทาได้ก็ทำได้สิ่งที่ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็พยายามทำแต่พบได้เห็นของเทศของกิ่งเป็นขั้นเป็นตอนผ่านตองไหน ยังอยู่ที่ใดต้องไปอย่างไรบางทีทางมันบอกทิศนั้นบอกสัมผัส ด, ดูเมื่อก็เห็นกนระแสเมื่อก็เดินทางไปบ้านอื่นเห็นยอดไม่ไผ่เห็นยอดเปล่านั่นแหละคือบ้านแต่เห็นใจเฉยยังไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องเดินไป ในความหลงต้องในความไม่หลงในความทุกข์ต้องในความไม่ทุกข์จะเห็นของที่เหมือนเป็นธรรมชาติเป็นวัตถุเป็นอวกาศก็มันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ทุกสัรพสิ่งในโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนทุกทุกสิ่งทุกอย่าง บางทีมันเกิดขึ้นกัอเราเราก็รู้ก่อนแล้วไม่กระทบกับเือนบางทีก็เป็นทุกข์บางทีก็ในความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงในความสุขมันก็ไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นเป็นอาการเป็นธรรมชาติแล้วก็หลง พอเรามาเห็นความเทศความจริงของทุกสัพรพสิ่งเหมือนกับว่ารวมลงเป็นสามันลักษณะของทุกสัพรพสิ่งเสมอกันหมดตีตัวขึ้นมาใหญ่ขึ้นสักหน่อยมองเป็นสามันลักษณะ ก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายเลื่อนเรืองหลังๆเป็นสาวามันลักษณะก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนตั้งนั้นจัตที่มีชีวิตที่ไม่มีชีวิตก็ตกอยู่ในลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยเกิดความขยนันไม่หยุดยัง้ง ทางมันบอกไม่มทางมันบอกเขายันเดินก้าวที่หนึ่งก็ได้ผ่านไปก้าวที่สองก็ผ่านไปโดยเพลียวขวมรู้สึกตัวนี่จะเหมือนบันหานไปมันเห็นอะไรก็ผ่านเป็นตัวรู้สึกตัวไปไม่มีตรงไหนที่ไม่ผ่านจริงที่มันมีอยู่ในกายในใจ มาให้เดินผ่านได้แต่เป็นโผงเป็นทุกข์เป็นโกลเป็นโลภ เ, เป็นหลงข้ามบ่อยๆเอาขวงไว้ก็ข้ามบ่อยๆ ข, ข, ข้ามได้ทุกทีเอาไว้หลงทุกทีมีความกระยันเหมือนเพียงมีศรัทธาเชื่อมั่นในวิธีปฏิบัติไม่ใช่มัน ฟรีไม่ใช่มันจืดไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้เราศึกษาไม่มีอะไรที่ทำให้เราไม่ได้บทเรียนจากตจากใจมันสแสดงอยู่ส่วนตติเกิดขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ไหลไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเราก็ดูอยู่มาเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆจากนั้นก็หวั่นไหว ในความหลงก็ไม่อยากให้มันหลงในความพุ่งซ้อนก็ไอยากให้มันพุ่งซ้านแล้วให้มันสงบบางทีก็เขียนตัวเองบอรู้จักวิธีการปฏิบัติแล้วก็นิ่งๆในความไม่เชื่ยงก็นิ่งได้ในความไม่ทุกข์มันก็นิ่งได้ ในความคงที่มันก็นิ่งได้ในความหลงกว่านิ่งได้ในความร่วมันก็นิ่งได้มีสุติไม่ไม่ไปทำอะไรไม่ได้เป็นต้องทาอะไรมั น, นันมีแต่เดิมว่ไม่เป็นอะไรไม่มีแต่เดิมอยู่แล้วที่มันเปลยนโน่นเป็นนีนนน่มันเกิดทีหลังเพราะมีเหตุปัจจัยว่มไม่เป็นไรมีแต่เดิม ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนก็ผ่านบ๊แ บ, บ, บแบบๆมายิ่งใหญ่ความสะดวกก็เกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติในบางโอกาสถ้าทำงานงานมันเดินไปข้างหน้า นึกกตงานมันเดินไปก่อนเหมือนงานวัดป่าตกโตเนี่ยโคตรที่มีอยู่เป็นประจำมันเดินไปแล้วข้ามปีข้ามเดือนไปแล้วมันก็เลยทำที่หลังเช่นโคตร อ, อาศาสมัครเข้มสิบวันนั้นผ่านมาเกือบจะ1สิบปีแล้ว ถ้าลูกจว่าช่วงนี้ตรงอาสาสมัครเทมคือปฏิบัติช่วยเต็งให้มากลูกกันพมาแล้วก็ไปการโกดปักเต้นตามพื้นดินตตายแต่ว่าวอาสาสมัครอันนี้งานมันเดินมาแล้วสิบปีแล้วอย่างน้อย นทุกอย่างที่เหมือนเกิดขึ้นที่เราทำอยู่นี้แหชีวิตเลาโยมก็เดินมาแล้วเราไม่คข้ยรู้จักมันตอนนี้มารู้จักได้ประโยชน์จากมันมันเดือนปีได้ประโยชน์จากมันความหลงได้ประโยชน์จากมันความทุกข์ได้ประโยชน์จากมันความไม่เที่ยงได้ประโยชน์จากมันเวลามีประโยชน์ เอาเวลามาทำประโยชน์หรือว่ากินเวลาถ้าเวลาเที่ยงทางไปไม่มีประโยชน์มันก็เวลามันก็กินเหลากินกินเหลาก็เลยไม่ได้แต่อะไรเลยปฏิบัติทำเนี่ยมันมันมีความพร้อมหลายอย่างพ้อมทำได้ทุกอย่าง เอามาทำได้ทุกอย่างไม่เป็นลายอะไรเกิดขึ้นโจากายต่อใจก็ไม่เป็นลายภายนอกภายในไม่เป็นลายนี่คือความพร้อมอ่ <c oughs> านได้เสมอไม่ติดไม่เอกใจไม่ทาใหม่ไม่ทำใ ห, ใหม่ไม่เปาชาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ กับโลกกับภายนกก็มไม่เป็นเลยเป็นทุนก็มไม่เป็นอะไรนี่มีการกระทําเกิดขึ้นไม่เป็นอะไรไม่ใช่โทษทิ้งขณะที่ไม่เป็นไรอย่างขยันกว่าก็าเป็นอะไรอีกเช่นไม่ไหวนี่อาจจะวางทุกอย่างไปแล้วแต่ไม่เป็นไรยังทําอยู่ ในภายในในการกระทําก็มีโดยเบาชีวิตเบาเบาไม่หนักเหนื่อยไหลก็ไม่หนักโ้มรู้คู่การงก็ไม่นหนักถ้าไม่เป็นไรยัยงสู้ ถ้าไม่ไหวนี่แสดงว่ า, าพ่ า, ายแพ้ตามไปนอกไปในนี่คือการอาสาสมักถ้าไม่มีเอาสาสมักก็แพ้ง่ายวางง่ายบางทีบางทีก็ถูกเกณฑ์ถูกบังคับวิ่งไม่มีแนวร่วมเอาสาสมักมาเกิดแนวร่วมขึ้นมา จะทำอะไรก็ตามเจ้ชไม่มีอุปสรรคใดใดสบาทั้งกิตใจคิดวิญญาณปฏิบัติธรรมมันจะอยู่ในลักษณะของอาศาสมผู้ศรัทธาเชื่อเองทำเอง ตถาทานเป็นาสาสมัครในร่วมก็มีความเพียรเกิดขึ้นมีสติสนับสนูนไม่งูไม่สมมติมั่นคงชัดเจนแม่นยำไม่ปัญญาหลอกลูไม่ซื่อบือ้อสติก็มีไปข้างหน้าสติก็มีปัจจุบันสติก็มีอดีตที่ผ่านมา มนมีความพร้อมตอนเรามีสติเวลานี้ก็เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็ น, นตัวเสร็จได้รับความชั่วได้ป้องกันความผิดได้ทำความดีเป็นปัจจุบันเมื่อทําความดีเป็นปัจจุบันก็รับความชั่วไปแล้วได้ทําป้องกันความผิดในอนาคตไปในตัวเสร็จ ไม่มีอะไรสมบูรณ์มากไปกว่าการเจริญสติปฏิบัติธรรมที่เป็นงานของมนุษย์เราไม่ทำตรงนี้ไม่ใช่มนุษย์ผู้มีสัตว์ประเสริฐเพื่อเป็นสัตว์ประเสริฐนั้นสมบูรณ์เป็นการศจกษาที่ ชันอุดมก็ว่าได้ไม่ใช่เปิดถงทุกคนเดินได้ด้วยตนเองเลยทีเดียวเพรามหลงก็รู้ด้วยรู้ด้วยความมนหลงก็แยกความหลงด้วยตัวเองเปลี่ยนได้เลยทีเดียวไม่ใช่ไปหัดกับไปตปะปาหลงกัรู้ไม่ได้หัดมันเป็นตัวปฏิบัต เรียกว่าชั้นอโ ด, ดมไม่ใช่ปฐมโดยหลงนั่นแหละมีประโยชน์ได้ผิดนั่นแหละมีประโยชน์ตอบเองได้ชั้นนี้ไม่มีใครบอกผิดบอกถูก เปนปัจจตังของผู้ปฏิบัติปิดถูกตู้เองไม่มีคำถามเดินเวลานี้เรามือวางไว้บานาเขารู้สึกตัวไม่ต้องถามใครยกมือขึ้นรู้สึกตัวไม่ถามใครแล้วมันหลงไม่ต้องถามใคร เวลาเปลี่ยนหลงเป็นลู่ได้ก็ไม่ต้องถามใครนี่เรียก ว, ว่าชั้นอุดมโตขึ้นมาเองเกิดคุณภาพขึ้นมาเกิดคุณธรรมขึ้นมาเองเกิดเป็นภพขึ้นมาเองไม่ต้องเลี้ยงเป็นลูกอ่อนภพอเบา ะ, ะที่เกิดขึ้นมา อาจจะต่างเก่าพุบหม่ต่างเก่าชาติใหม่ต่างเก่าดีกว่าเก่าก่อนมาอยู่ที่โน้นู่ความทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธุบใหมนี้ฝึกหัดมาได้ใหม่ได้หัดมาหลงเป็นลู้ทุกข์ไม่เป็นทุกข์โกรธไม่เป็นโกรธไม่ไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว ถาบังคับมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่ถูกต้องจริงๆนี่คือการปฏิบัติไม่ได้ปล่อยตัวเองทิ่งรับผิดชอบตัวเองเมื่อรับผิดชอบตัวเองในลักษณะนี้ก็เท่ากับรับผิดชอบคนอื่นจริง อ, อื่นวัตถุอื่นเข้าใจตรงสารตัวเองเป็นก็สงสารคนอื่นเป็น ช่วยตัวเองเป็นก็ช่วยทนอื่นเป็นนั่นใจเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่อปาปัจจัเกิดขึ้นในชีวิตไมครบแคบกอาตือลือล่อนเรื่อง ใหญ่เป็นเรื่องเล็กต้องทำได้ต้องทำได้โ ด, ดยเพราะส่วนชีวิตของเราเนี่ยในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรื่องใหญ่แตนเรื่องที่เล่นๆเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องเอาทิ ง่ายง่ายเ่ความไม่เที่ยงเป็นเรื่องเอาทิ้งง่ายง่ายเรื่องความเป็นทุกข์เป็นเรื่องเอาทิ้งง่ายที่สุดเรื่องความไม่เชื่อตัวตนเป็นเรื่องที่ทิ้งง่ายที่สุดนึกกับขยะถังขยะหน้าบ้านถังขยะในกติมันทิ้งง่าย แล้การรักษาที่ที่มันทิ้งง่ายมันมันสะดวกในในในในรักษาที่ทิ้งมันมาให้ทิ้งความไม่เที่ยงความไม่ทุกมันมาให้ทิ้งความไม่ใช่ตัวตนมาให้ทิ้งทิ้งความไม่เที่ยงทิ้งควาเป็นทุกทิ้งความไม่ใช่ตัวตนมันก็บริสุทธิ์สะอาดหมดจด เองผมหมดจุดเป็นของการกระทำด้วยตนเองแต่ก่อนนั้นเป็นขยะนะก็มาเที่ยงเนี่ยลกุกผมป็นทกกับลูกมากเป็นดงเลยชีวิตนะ่ยเดอเขาจดีดใดก็มืดแปดด้นานผ่านไม่ค่อยเป็น มันผ่านในประโยชน์เราจะพูดแบ่พวงที่จะพอใจที่จะพูดเรื่องนี้วเอียงไปไหลไปสูงงกสูผลเห็นได้ได้พบเห็นกับชีวิตตัวเองที่เกิดกับตัวเราแล้วได้คิดจะเกิดกับคนอื่นจิงอื่นวัตถุอื่นยิ่งใหญ่ไพศาล แต่เป็นปัญญาก็แตกฉานรู้โลกจางแฉมแข้งรูง้โลกจางแฉมแย้งรูง้โ ล, โลกลักษณะที่สามันลักษณะมีอะไรคิดเหล่านี้ไม่มีวิธีอื่นที่ไปโรงเรียนที่ไหนสอนกันมหาวิเลยที่ไหนสอนไม่มีมหาวิเลยที่ไหนสอนกันเรื่องนี้ต้องเป็นการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานด้วยศึกษาด้วยตนเอง นี่คือปฏิบัติธรรมม่เชื่อเราตาสีต า, าอย่ามาให้หลวงตาหลอกพ้าจริงไงดูเอาเองเห็นเอ ง, เ, องเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรหลอกกันมาได้ของจริง อันของไม่จริงหลอกตาหลอกไปทั้งไหนก็ไม่รู้ถูก่าเราเนี่เแหละหลอกตัวหลงที่สุดผีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวอู้แต่ตัวเองหลอกตัวเองโอดโหลกหลอกคือชีวิตของเราเนี่ยถ้่หลอกตัวเองไรคนหนึ่งก็หลอกตาย ถูกหลอกความคิดก็หลอกให้กลัวความคิดหลอกให้ถูกความคิดหลอกให้ทุกความคิดหลอกให้รักให้เกียดชังแล้วก็ทำตามมันกน็น่าจะหัวโลกก็ได้ พกความคิดนี่ถ้าเห็นจริงๆนะอาจจะยิ้มในตรงนี้นะอาจจะว่าพุทธู้ปอดู้ตรงนี้นะให้มันทุก์จริงๆทนะุกกความคิดทนะุกพวเก็บพวกปวดมีบุคคลที่หนึ่งที่สองช่วยหรืออยู่ แต่ทุกที่เกิดจากภายในความคิดนี่เมื่อจนก็ห า, าก็หาถางออกมาแต่ได้ยินไว้ได้ทำไว้บ้างเคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนี้ไว้บ้างมันจะเป็นพลังขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาได้ บฏิบัติธรรมไม่ใช่โง่เง่าโตตุน่นออกใจผู้มีปัญญาชนทั้งหลายที่มากันมาศึกษาเรื่องนี้ออกใจที่ผู้มีตีข้องไปสัญญาให้เรามาฟังประธรรมวัดออกใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้บุงอาหารผู้ที่ทำอะไร เพื่อการ น, นี้มากมายออกใจย่าโจมทําอาหารให้กินออกใจย่าโจมมาทอดตะถินทอดผ้าป่ามาเป็นพละกําลังเป็นเลือดเป็นเนื้อได้มีชีวิตเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมและได้มีชีวิตเพื่อจะพูดได้เป็นหมู่เป็นมิตรได้บอกได้สอนได้เป็นเพื่อนกันไปมันก็เป็นสะพานอย่าใยเมฆขาดลง นั้นพูดเมื่อวานว่าเล่นเรื่องอนาจักรของไก่อนาจาักรของปลาอนาจักรของธรรมเนี่ยมันน่าจะยิ่งใหญ่เอาอย่างไก่เอาอย่างปลาเอาอย่างเจ้งขวางเหมือนพระเจ้าเปรียบเทียบแม้แต่มดก็เป็นอาณาจักรของเขา ต้นไผ่ก็มีนายจากของต้นไผ่อันหนึ่งได้พูดกับพระเดินไปตูต้นไผ่ป่าไัยต้นไผ่นี่มันเฉียใจนะเฉียใจยังไงมันนายจากของเขาเขาเขาเกิดขึ้นมาเพื่อคนใช้ คนไม่ใช่เขาเสียใจขึ้นโค้นจะตายแล้วแต่ใช่ไม่เป็นก็เสียใจถ้าใช่เป็นเขาก็ดีใจเช่นกอไผ่มันออกลูกออกลูกมันออกลูกลักษณ์สองลักษณะออกคนกินเป็นลูกประเภทหนึ่งออกลูกเพื่อสืบส ก, กูลเป็นลูกประเภทหนึ่งแต่ลูกมันออกมาคนกินคนไม่กินมันเสียใจ ก็ขึ้นโครนซะเมื่อมันได้น้องถึงสองน้องสามน้องไม่ใช่มันก็เสียใจมันแน่นหนาน่าจะเอามันออกมีน้องห้าน้องหกน้องเจ็ดน้องเอาออกไปใช้งานถ้าไม่มีน้องถ้ามีน้องห้าน้องหกน้องแล้วไม่ใช้งานมันเสียใจเราก็เลยไม่ออกลูก ที่นี่มันออกลูกเลยมันออกลูกเพื่อสู่ตระกูลไปตัดไปฆ่ามันไปกินมันมันก็เสียใจเหมือนกาลังเหมือนพ่อแม่ที่เกิดลูกกําลังเป็นสาวไปฆ่าถูกฆ่าทุกคนถูกฆ่าทุกคนมันก็เสียใจมันเนีมันไม่ยอมออกลูกถ้าทาอย่างนั้นมันจะออกดอกออกหลากแทนมันพยายามที่สืบตระกูลของมันไว้เป็นอาาจช่าของมัน เมื่อมันออกลูกมันก็ชุมกันต้องตายนะถ้าเราออกลูกเราต้องตายกันหมดไม่เหลือตายก็โยอมยอมตายเพื่อจะได้มีลูกมากมายเป็นเหมือนเป็นเศษเป็นล้านให้เกิดลงมาเปลี่ยลงมาตกลงมาให้เกิดหนอใหม่ดีกว่ า, าจะสูญจะพันไปเลยนี่อนาจากของต้นพาย ต้นไม้ทุกอย่างต้นยางนายางนาเขาชอบสงบต้นสับเบงต้นชาตต้นสะเดาช้างเราอยู่ในชอบควมสงบไม่เพศนี่เข้าฌานสมบัติฉันสุดยอดสะเดาช้างไม่ชาตจนให้มันอยากให้อยู่เป็นจนเป็นผ้าห่มเกิดขึ้นมันมันชอบมาก ไม่มีใครมาแต่ต้องไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีควรนืืนฝอยเราจะเป็นผ้าหม่มตามกริงนกาา็จะหาเกิดฝอยเรีอกว่าฝอยลมตกลงมาคนเอมากินเป็นยาสมุนไพรปวดท้องเก็บท้องเอามาต้งกินสมัยก่อนเดินไปในป่าเจ็บฝอยลม ที่ไดจากต้นชาติเอามาใส่กล่องใส่ของที่เจ็บว้ใครมาก็แจกให้เอาไปกินเดี๋ยวนี้เมื่อมีคนมาอยู่เสียงคนเดินเสียงมีเสียงขวานเสียงรดเสียงละ ห, หววฝอยมันก็ตายหมดเด๋เวนี้ไม่เหลือสดาวชาติไม่ชาติไม่ชาตินี่ไม่มีสองชาตินะ พันชาตินหนึ่งชาตินหนึ่งอย่งางของเก่าเนี่ยไม่ชาติดีนี่แด ง, งมากเจอดายเพราะไม่ค่อยเกิดก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นเขตผู้หญิงเขตไม่ขี้นี่ไม่ขี้ตู้เหมืนก็อาจจะชอบไม่ขี้ว่าอ <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนกับผู้ชาอยู่ที่อื่นไม่มีเลยนะทางพระอยู่ไม่มีตูนเลย มีอยู่ในเขตไอคีไอคีผู้หญิงมันอ่อนโยนไม่ตะปิตปะปา ต, ต้นยางนานี่ก็เลยทำทางแต่จังกงไว้ซะเพราะอยากให้รบกวนแต่ม่าอาศัยล่มมันกอยากให้ปัดให้กวาดมันทุนถนอมใบมันอะมัน เขเป็นปกงูปลกลากไว้ให้ได้ออกซิเจนได้อาหารแล้วมันสม บ, บูรณ์ที่สุดก็เห็ดหลงังงกใช่ไหมเต็มเปียกเหอะไรอยา่างไม่อยากให้ปวดอย่า ง, งที่ไหนทาทางบอกว่าให้อย่างที่นทำทางเดินไว้180สักร้อยแปดสิบเส้นก็ได้ตามโค้สง งตอนเหนือปายางทานตอนเหนือไม่ไปแต่ต้องมาให้มันเกิดเหตุแห่งกินอนาณาจักรของเขาบอกว่าช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรวมกันกับมนุษย์นี่เป็นคือเป็นแปลเป็นเพื่อนเป็นมิตรซึ่งกันและการเข้าใจกันมันมีจิวิญญาณ ไปเยี่ยมมันบ้างเช่นไม่ผลมันอาศัยลอยคนลอยเจ้าของไปเยี่ยมได้กลิ่นไอไม่ผลมันชอบกลิ่นคนไม่ไม่เหมือนไม่ชาตินะชอบกลิ่นคนกลิ่นเจ้าของลอยมือลอยเท้ามันชอบมากไปเยี่ยมให้ความรักมันนันงจอบอบอกออกกุ้งให้กิน ที่ไหนใกล้คนจะงามเป็นข้าวอยู่ใกล้คนก็งามนี่คนเราแท้ๆไปเกลียดไปโกรธกันทำไมช่วยกันช่วยกันอะไรก็มาช่วยกันเท่ากันหมอก เวลามันหลงอย่าหลงเวลามันทุกข์อย่าทุกข์นะเวลามันโกรธอย่าโกดนะออย่าหลงในความคิดอย่าหลงในกายในรูปในรสให้เฉลาดตรงนี้เอ้มีชีวิตที่ว่ารูปเหมืนกายมันแก่เก็บตายเอาประโยชน์จากมันมันมีมันบอกมันเกิดจากกายจากรูปมันบอกเรามันเกิดจากกิจจากใจมันบอกเรา เราเป็นเ จ, จ้าของเราเป็นผู้ศึกษามือนให้ได้ยอดใหม่ต่อยอดใหม่ยอดจากกา ย, yellow, า ย, ย, ย Hitler, จากใจมันแก่มันเจ็บมันตายแต่ยอดใหม่มันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราประโยชน์จากมันประโยชน์จากควไม่เที่ยงนี่จะกลับประโยชน์จะกความทุกข์ประโยชน์จะควาไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นไปเพื่อความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะ เหมือนพเจ้าว่าพระเจ้าตรัสไว้อย่านั่นจริงจริงให้ได้ประโยชน์อย่าให้มันเน่าผุพองเป่าตายไปเบื้นพ่วงแพเรือเน่าไปจนผุจนพังยังนึกว่าเป็นเจ้าของที่เราใช้มันมาจนขึ้นฝั่งได้แล้วได้นั่งเรือลำนี้ขึ้นฝั่งได้แล้วแอความทุกข์เป็นไม่ทุกข์แล้วแอความ แกเป็นความไม่แกในความเก็บเป็นความไม่เย็บในความตายเป็นครามไม่ตายแล้วสำเร็จแล้วใช่ใช่ได้ถูกต้องแล้วมันจึงจะคุ้มค่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่ต่อยอดได้ยอดจากมันไม่ดีนั่นแหละยอดใหม่มันหลงนะ่ะยอดไม่หลง มันทุกตยอดม่ทุกมันโกรธตยอดม่โกรธมีได้ทุกชีวิตแต่ไม่ทำไม่ประกอบมันก็ไม่มีศูนย์ประกอบไปเฉยๆเฮ้ยก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นศูนย์ประกอบในกะารปฏิบัติสมอขวนเก็บเวลาอาะพร้อมกัน